วันนี้เราจะมาฟังเรื่องของปัญญาของทางพระพุทธศาสนากันปัญญาทางพระพุทธศาสนานี้มีอยู่สาชนิดหรือสมขั้นตอนชนิดที่หนึ่งหรือขั้นตอนที่หนึ่งเรียกว่าสุตตมยปัญญา แปลว่าปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่พวกเรากําลังนั่งฟังอยู่ขณะนี้เรียกว่ากําลังเจริญสุตตมัยะปัญญาปัญญาชนิดที่สองหรือขั้นที่สองเรียกว่าจินตามัยยะปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการพินิจพิจารณาค่อครวนอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอเรียกว่าปัญญาที่เกิดจากการที่เรานำเอาคาสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาจากการฟังเทศฟังธรรมเอามาค่อยครน วิเคราะห์พิจารณาอยู่เนืองเนืองอันนี้เป็นปัญญาชนิดที่สองและปัญญาชนิดที่สามเรียกว่าภาวนามย์ปัญญาปัญญาที่เราใช้ในการดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจของเราปัญญาชนิดที่สามนี้ เป็นปัญญาที่จะดับความทุกข์ได้ก็ต้องมีใจที่สงบเป็นผู้สนับสนุนคือใจจะต้องได้สมาธิได้อุเบกขาเมื่อใจได้สมาธิได้อุเบกขาแล้วเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็สามารถนำเอาปัญญาที่ได้จากการ ได้ยินได้ฟังได้ไข้ควรวญได้พินิตพิจารณาเอามาใช้ประกอบกับใจที่สงบ mm hmm. ก็จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาภายในใจได้ปัญญาที่เป็นประโยชน์ที่เป็นปัญญาที่ดับความทุกข์ได้จึงเป็น ภาวนาไมยะปัญญาแต่ก่อนที่จะได้ภาวนาไมยะปัญญาก็ต้องอาศัยสุตะไมยะปัญญาและจินตามยะปัญญาหล่อเลี้ยงขึ้นมาก่อนแล้วก็อาศัยการปฏิบัติจเจริญสมถภ า, ภาวนาทำใจให้สงบให้ใจเป็นอุเบกขาแล้วก็จะมีกำลัง ที่จะใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ส่งตัสสรู้ได้ส่งนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนเอามาใช้ดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจเวลาพบกับเหตุการณ์ที่ไม่ปรารถนาเช่นเวลาเราพบกับความเจ็บไข้ได้ป่วยพบกับความตาย ใจของเราจะทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าเราไม่มีปัญญาของพระพุทธศาสนาเราจะไม่สามารถดับความทุกข์ใจที่เกิดจากการได้พบกับความเจ็บไข้ได้ป่วยพบกับความตายได้เลยแล้วก็ถ้าเราไม่มีสมาธิ ถึงแม้ว่าเราจะได้ยินได้ฟังวิธีการดับความทุกข์ของใจจากการได้ยินได้ฟังรมหรือจากการได้ศึกษาได้อ่านจากหนังสือธรรมะต่างๆแล้วได้ค่าควรอยู่เรื่อยๆก็ตามถ้าไม่มีอุเบกขาใจไม่มีความ น่งไม่มีความสงบจะไม่สามารถดับความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นในขณะที่ไปพบกับเหตุการณ์ที่ไม่ปาถนาพบกับความเจ็บไข้ได้ป่วยพบกับความตายพบกับการพราดพราจากสิ่งที่เรารักจากบุคคลที่เรารักเราจะ เสียอกเสียใจร้องหม่มร้องไห้กันนี่คือปัญญาสามระดับด้วยกันสามขั้นจำเป็นที่จะต้องมีขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองแล้วค่อยถึงขั้นที่สามถ้าเรายังไม่มีขั้นที่หนึ่งเราก็ต้องศึกษาฟังเทศฟังธรรมก่อนเมื่อเราศึกษาฟังเทศฟังธรรม เราก็จะได้รู้ว่าความทุกข์ของพวกเรานี้เกิดจากความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราเช่นความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พัดพรากจากกันความนี้ความอยากนี่แหละที่เป็นเหตุที่ทำให้เราทุกข์ใจกันไม่ใช่เพราะความแก่ ไม่ใช่เพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่เพราะความตายไม่ใช่เพราะความพัดพากจากกันแต่ความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พัดพากจากกันถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้เหตุของความทุกข์ใจของพวกเรา พอเกิดความทุกข์ใจเราก็จะไม่รู้จักวิธียับยั้งดับมันตอนนี้เราได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเรารู้กันแล้วว่าความทุกข์ใจของพวกเรานี้เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พลาดพลาดจากกันขั้นที่สองเราก็ต้องเอาความรู้นี้ มาคอยสร้างคอยเตือนใจเราให้เรารู้ว่าความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากกันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติของการมีร่างกายเมื่อเกิดมาแล้วมีร่างกายแล้ว ก็จะต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายพบกับการพัดพาจากร่างกายของผู้อื่นไปอันนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าจินตามายปัญญาคือปัญญาขั้นที่สองเมื่อเราได้ยินได้ฟังว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย แต่เราไม่สามารถไปห้ามความแก่ความเจ็บความตายได้เพราะความแก่ความเจ็บความตายนี้เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายที่มีการเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายไปถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเราก็ต้องยอมรับความจริงของร่างกาย ยอมรับความแก่ความเจ็บความตายถ้าเรายอมรับเราก็จะไม่มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายถ้าเรามีใจที่เป็นอุบเบกขาหรือใจที่เนื่องเฉยพอเจอความแก่เราก็ทําใจให้เฉย เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ทำใจให้เฉยเฉยเจอความตายก็ทำใจให้เฉยเฉยเราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายกับการพัดพรากจากกันถ้าเรายัางทำใจให้เฉยไม่ได้เราก็ต้องมาฝึกทำใจให้เฉยกันมาเจริญสติ เพราะสตินี้จะทำให้ใจเฉยใจนิ่งใจสงบพอเราสามารถควบคุมใจให้นิ่งให้สงบได้พอใจเกิดความทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเราก็ควบคุมใจให้นิ่งนิ่งเฉยเฉยไว้ไม่ให้ไปอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะว่าอยากอย่างไรก็ไม่ได้ไป ห้ามหรือไปทำให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้นะร่างกายนี้จะต้องแก่เจ็บตายไปกับทุกๆคนแม้แต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าร่างกายของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายก็ต้องแก่เจ็บตายไปเหมือนกันแต่ท่านรู้จักวิธีทำให้ใจของท่านไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย พราะท่านเห็นด้วยปัญญาว่าความทุกข์ของท่านนั้นเกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่เองจึงต้องหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายจะหยุดได้ก็ต้องมีสติควบคุมใจควบคุมความคิดที่จะไปคิดไปอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่นั่นเองถ้ามีสติควบคุมความคิดได้ ก็จะทำให้ใจนิ่งเฉยเป็นอุบเบกขาได้พอใจมีสมาธิมีความนิ่งเฉยแล้วใจรู้ว่าความทุกข์เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอเจอความเจ็บเจอความตายก็หยุดความอยากทำใจเฉยเฉยปล่อยให้ร่างกายมัน เจ็บไปไปล่อยให้มันตายไปแล้วมันจะไม่ทุกข์ทรมานใจความเจ็บของร่างกายนี้ไม่เป็นสิ่งที่ทุกข์ทรมานใจแต่อย่างใดความตายก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทุกข์ทรมานใจความทุกข์ทรมานใจเกิดจากความอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้เท่านั้นผู้ที่สามารถที่จะควบคุมใจให้นิ่งเฉย แล้วมีปัญญาสอนใจไม่ให้ไปอยากไม่เจ็บไม่ไปอยากให้ไม่ตายก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตายนี่คือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารตาสาวคท่านได้ปฏิบัติท่านได้พิสูจน์จนเห็นชัดเจนว่าความทุกข์นั้นเกิดจากความอยาก และเกิดจากการที่ไม่ยอมรับความจริงของร่างกายพอร่างกายแก่ก็อยากจะให้ไม่แก่พอร่างกายเจ็บก็อยากจะให้มันไม่เจ็บพอร่างกายตายก็จะอยากให้ไม่ตายก็เลยเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องหมั่นเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยว่า ร่างกายนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วย่อมต้องแก่ไปเป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายไปเป็นธรรมดาต้องพลาดพลาดจากกันเป็นธรรมดาล่วงพน้นสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้นี่คือจินตามียะปัญญาถ้าเรายังไม่ได้พบกับความแก่ความเจ็บความตาย เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังมีกำลังวังชายังมีความแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีเราก็ต้องคอยสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่สอนเราจะลืมและเราจะคิดว่าเราจะอยู่ไปนานๆนเป็นหนุ่มเป็นสาวไปนานๆนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ตายไม่พัดพากจากกัน อันนี้เป็นการทำการบ้านสูตรตมยปัญญานี้เป็นเหมือนการเข้าห้องเรียนเราไม่รู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากอะไรและการดับความทุกข์ของเราดับได้อย่างไรเราก็ไปเข้าห้องเรียนไปศึกษาไปโรงเรียนกันไปเรียนจากพระพุทธเจ้าเรียนจากพระอาหารหันตสาวกท่านก็จะสอนเราว่า ความทุกข์ของพวกเราเกิดจากความอยากของพวกเราเองและการจะดับความทุกข์ก็ต้องยอมรับความจริงยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราเราไม่สามารถที่จะเก็บเอาไว้เป็นของเราไปได้ตลอดวันหนึ่งเราก็ต้องมีการพัดพาอจากกันไปพอเราได้ความรู้อันนี้แล้ว เราก็เอาความรู้นี้มาสอนใจมาเตือนใจอยู่เรื่อยๆแล้วก็ทดสอบถามตัวเราเองว่าเรายอมรับความไม่เที่ยงได้หรือยังเรายอมรับความแก่ยอมรับความเจ็บยอมรับความตายได้หรือยังยอมรับการพัดพากจากกันได้หรือยังพัดพากจากคนที่เรารักพัดพากจากสิ่งของที่เรารักอันนี้ก็ เป็นการทดสอบถามตัวเองว่าเรามีปัญญาที่จะหยุดความอยากจากการพัดพาคจากกาันหยุดความอยากจากการไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้หรื อ, อยังถ้ายังทำใจไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีอุเบกขาเราก็ต้องมาเจริญสติเพื่อสร้างอุเบกขาขึ้นมา โดยการทำใจให้เข้าสู่ความสงบพอใจเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิใจก็จะเป็นอุเบกขาขึ้นมาแล้วในขณะนั้นเราจะมีความรู้สึกว่าเราไม่รู้สึกอะไรกับอะไรเลยอะไรจะเกิดอะไรจะตายอะไรจะเกิดอะไรจะดับอะไรจะมาอะไรจะไปในใจของเรารู้สึกเท่าเดิมคือไม่ได้ไม่เสีย กับการมากับการไปของสิ่งต่างๆถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้แล้วเวลาเราไปเจอการสูญเสียจากสิ่งที่เรารักเราชอบเราก็จะรู้สึกเฉยๆได้ทำใจให้เฉยๆไปอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะดับก็ดับปล่อยให้มันเกิดปล่อยให้มันดับไปเราไม่สามารถที่จะไป ยับยั้งไปห้ามมันได้เพราะมันไม่ได้เป็นของเราเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้นี่คือวิธีการที่เราจะดับความทุกข์คือเราต้องเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาทำการบ้านมาค่าควรมาพิจารณาอยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อที่เราจะได้ไม่หลงไม่ลืม เพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเช่นความแก่ความเจ็บความตายความพัาดพลาดจากกันเราก็ต้องคิดอยู่เรื่อยๆซ้อมอยู่เรื่อยๆทดสอบใจถามใจอยู่เรื่อยๆว่าเราพร้อมที่จะแก่ไหมพร้อมที่จะเจ็บไหมพร้อมที่จะตายไหม พร้อมที่จะพัดพาคจาก ส, สิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารักหรือไม่ถ้าเราพร้อมเราไม่เดือดร้อนก็แสดงว่าเรามีภาวนาไมยปัญญาแต่ก็เราก็ยังอาจจะหลอกตัวเราเองได้ถ้าเราคิดว่าเราพร้อมที่จะพัดภาคจากสิ่งที่เรารักเราก็ต้องลองเอาสิ่งที่เรารักสะละไปให้คนอื่นไป เราลักไข่เรายกให้เขาไปเรารักสามีรักภรรยายกให้เขาไปยกให้คนอื่นไปรักสมบัติรักเข้าของสละไปไม่ใช่เพียงแต่พูดแต่ปากว่าเราสละได้เราละได้แต่การกระทํานั้นยังไม่ได้สละยังไม่ได้ละอย่างนี้ก็ยังถือว่ายังไม่ได้ละจริงๆเพียงแต่ละเพียง ในเชิงของความคิดเท่านั้นเองจึงไม่รู้ว่าเวลาเกิดการที่จะต้องพัดพากจากกาันรจริงๆนั้นจะทำใจได้หรือไม่เวลาเจอความเจ็บแล้วจะละได้หรือไม่เวลาเจอความตายแล้วจะปล่อยวางได้หรือไม่ผู้ปฏิบัติที่ได้พิจารณาเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายเรื่องของการพัดพากจากกาัน แล้วยังไม่แน่ใจว่าตอนเองได้ละได้หรื อ, อยังก็จำเป็นจะต้องไปอยู่กับเหตุการณ์ที่จะให้ละจริงๆเช่นผู้ที่ออกบวชนี้ก็ต้องละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองละสามีละภรรยาอันนี้ก็จะรู้ว่าละได้หรือไม่ได้ในขั้นหนึ่ง ส่วนขั้นของความเจ็บว่าละได้หรือไม่ได้ก็ต้องลองนั่งสมาธิไปแล้วเวลาเกิดความเจ็บขึ้นมาดูซิว่าจะปล่อยวางความเจ็บได้หรือไม่ปล่อยให้มันเจ็บไปโดยที่เราไม่ต้องไปอยากให้มันหายเจ็บหรืออยากจะลุกขึ้นมาถ้ายังมีความอยากให้มันหายเจ็บอยากให้มันอยากจะลุกขึ้นมา อยากเปลี่ยน area บทก็แสดงว่ามีความทุกข์อยู่ในใจยังปล่อยวางยังละความเจ็บของร่างกายไม่ได้หรือถ้าเราไปเจอเหตุการณ์ที่คิดว่าจะทำให้เราตายแล้วเราทำใจเฉยเฉยไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังปล่อยไม่ได้วางไม่ได้ ถ้าเราเฉยๆได้ปล่อยวางได้จิต น, นิ่งสงบไม่เดือดร้อนกับความตายที่กําลังจะเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าเราได้ละความอยากดับความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บได้แล้วละดับความทุกข์ที่เกิดจากความตายได้แล้วเพราะเราหยุดความอยากไม่แก่หยุดความอยากไม่ตายได้นะ อันนี้ถึงจะเรียกว่าภาวนาเมยับปัญญาคือปัญญาที่จะเกิดขึ้นเวลาที่มีเหตุการณ์จริงก็เป็นเหมือนกับการเข้าห้องสอบเราเรียนหนังสือแล้วเราก็ไปทำการบ้านทดสอบทดลองไว้ก่อนทดสอบข้อสอบต่างๆที่อาจารย์จะทดสอบเราเวลาเข้าห้องสอบพอเราทำการบ้านได้แล้ว เราก็ยังไม่แน่ใจว่าเราสอบได้หรือไม่เราก็ต้องรอเวลาที่มีการสอบกันเพราะเวลาสอบนี้เราเปิดหนังสือดูไม่ได้เวลาทําการบ้านเรายัางเปิดหาดูได้เปิดหนังสือดูได้หาคำตอบที่เราต้องการได้แต่พอเราเข้าห้องสอบนี้เขาห้ามไม่ให้เอาหนังสือเข้าไปในห้องสอบเราต้องการทดสอบความจําของเรา ว่าเราจำได้จำสิ่งที่เขาสอนได้หรือไม่เขาถามมาเราตอบได้หรือไม่นี่เป็นการทดสอบทางโลกจะทดสอบเรื่องของความจาจาความรู้ที่ได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์มาแต่ในทางธรรมนี้นอกจากทดสอบความจำแล้วยังต้องทดสอบความสามารถของใจด้วยว่าทำได้หรือไม่ ถึงแม้จะจำได้ว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์แต่ถ้าไม่สามารถละความอยากได้ก็จะสอบไม่ผ่านก็จะดับความทุกข์ไม่ได้ถึงแม้จะรู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นไปไม่ได้ต้องพัดพากจากกาันไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นไปไม่ได้ แต่พอเวลาที่ไปเจอข้อสอบจริงๆเข้าแล้วถ้ายัางทุกข์อยู่ก็แสดงว่ายังไม่มีความสามารถถึงแม้จะรู้ว่าจะต้องตายต้องพัดพากจากกันแต่ไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากไม่ตายได้ใจก็ยังจะต้องทุกข์แต่ถ้ามีกำลังที่จะหยุดความอยากไม่ตายได้ ทำใจให้เฉยๆได้ปล่อยวางได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายก็จะรู้ว่าสอบผ่านอันนี้คือปัญญาสามระดับในทางพระพุทธศาสนาซึ่งต่างจากทางโลกตรงที่ว่าทางโลกนี้เราเพียงแต่ทดสอบความจำเท่านั้นเองเวลาเราเรียนหนังสือเขาก็ให้เราท่องจำ วิธีบวกลบคูณหารจำชื่อจำเหตุการณ์ต่างๆเช่นก้เรียนประวัติศาสตร์เราก็จำเหตุการณ์จำวันที่จำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่นั้นว่ามีเหตุการณ์ไรเกิดขึ้นมีความสำคัญอย่างไรพอเวลาเขาถามในห้องสอบถ้าเราจำได้เราก็ตอบไปได้เราก็ผ่านแต่ทางพระพุทธศาสนามีความ มีการทดสอบอยู่สองระดับระดับความจํำและระดับความสามารถที่จะทําตามสิ่งที่เราจําได้หรือไม่เช่นก็จะทดสอบดูว่าเราจําได้หรือไม่ว่าความทุกข์ของพวกเราเกิดจากความอยากของพวกเราเช่นความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะว่าอยากอย่างไรเราก็ไม่สามารถที่จะไปยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้ อันนี้ก็เป็นการทดสอบความจำเราก็ต้องจำให้ได้ว่ายังไงยังไงเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายยังไงยังไงเราก็จะต้องทุกข์ถ้าเราไม่หยุดความอยากถ้าเราอยากจะไม่ทุกข์เราก็ต้องหยุดความอยากและการจะหยุดความอยากได้เราก็ต้องมีสมาธิมีสติมีสติหยุดความคิดหยุดความอยากสติจะเป็นตัวหยุดความคิดหยุดความอยาก ถ้าปัญญาบอกให้หยุดแต่ถ้าไม่มีปัญญาสติก็จะไม่ไปหยุดความอยากคนที่ไม่ได้ศึกษาทางพระพุทธศาสนาเวลาเกิดความทุกข์ใจก็จะไม่ไปแก้ที่ความอยากแต่ไปแก้ที่ทำตามความอยากเวลาอยากได้อะไรแล้วมันใจไม่สบายก็ไปทำตามที่ความอยากต้องการ พอได้ทาแล้วความไม่สบายใจก็หายไปอันนี้ก็เป็นไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดเพราะว่าไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุ่มเทเ ง, เงินทองทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ให้กับการรักษาร่างกายนี้ให้หายให้ได้มีเงินทองมีความสามารถมากน้อยเพียงร ก็ทุ่มเทไปให้กับการรักษาถึงแม้จะรักษาไม่ได้ก็ก็ไม่รู้จะทำอะไรจะต้องรักษาให้ได้เพียงอย่างเดียวใจก็ทุกข์อยู่ตลอดเวลากับการรักษารักษาถ้าไม่หายก็ต้องทุกข์ไปกับการอยู่กับโรคที่รักษาไม่หายไปเรื่อยๆแทนที่จะมาแก้ที่ปัญหาที่แท้จริงก็คือความอยาก ให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปถ้ามันรักษาไม่หายก็อยู่กับมันไปอย่าไปอยากให้มันหายความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดขึ้นก็จะอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บอย่างสบายเหมือนกับไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยครูบาอาจารย์บางรูปีท่านเป็นบางอมภพกอมภพัสแต่ใจของท่านก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนกับการเป็นอมภพกอมภพัของ ร่างกายท่านก็จิตใจแจ่มใสเบิกบานผ่องใสมีความสุขเหมือนกับร่างกายเป็นปกติเพราะท่านทําใจได้ท่านยอมรับกับความจริงว่าร่างกายจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปอย่างใดอย่างหนึ่งพอเวลาเกิดขึ้นมาท่านก็ไม่ฝืนไม่ได้ไปอยากให้มันหายไป รักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปแต่ใจจะไม่ทุกข์จะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไปกับมันเพราะท่านได้ฝึกใจได้สอนใจได้ทำใจให้เป็นอุบเบกขาท่านมีสติตลอดเวลาสามารถควบคุมความคิดที่จะคิดไปในทางความอยากต่างๆได้ห้ามไม่ให้คิดไปในทางความอยาก ให้มันคิดไปในทางความเป็นจริงว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติของร่างกายที่จะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายไปใจของท่านจึงไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายของท่านจะรักษาได้หรือรักษาไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้ารู้ว่ารักษาไม่ได้ท่านก็จะไม่ยือ้อไม่ดื้อรัน้นไม่ดันทุรังยุติการรักษา ไว้ให้มันอยู่ไปตามธรรมชาติของมันอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้เดี๋ยวมันก็ต้องตายรักษาให้หายมันเดี๋ยวมันก็ต้องตายเหมือนกันรักษาให้หายในวันนี้เดี๋ยวอีกวันข้างหน้ามันก็จะมาเจ็บไข้ได้ป่วยใหม่อันนี้คือธรรมชาติของร่างกายมันจะเดินเข้าสู่ความตายอยู่ตลอดเวลาเดินเข้าหาความเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดเวลา ไม่มีใครที่จะมายุติการดําเนินของร่างกายนี้ได้อาจจะรักษาได้แต่รักษาแล้วเดียวมันก็เป็นอีกรักษาเท่าไหร่มันก็จะเป็นอีกจนในที่สุดก็จะรักษาไม่ได้อยู่ดีนี่คือสิ่งที่เรามาศึกษากันมาทําความรู้จักกันคือเรื่องของความทุกข์ของพวกเรา ที่เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายว่าเราจะปฏิบัติกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอย่างไรถึงจะทำให้เราไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนอก็ปฏิบัติแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติให้พิจารณาอยู่เนืองๆ เ, เพื่อกันลืมเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเพื่อที่เราจะได้ทดสอบ ใจิตใจว่าเราทําใจได้หรือไม่ถ้าเราทําใจยังไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีกําลังพอเราก็ไปสร้างกําลังใจขึ้นมาสร้างกําลังใจด้วยการเจริญสติเพื่อทําใจให้สงบให้หยุดความคิดความอยากต่างๆพอใจสงบหยุดความคิดต่างๆใจก็จะมีพลังมีความมีกําลังที่จะ ประครับประคองรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไม่ให้เศร้าหมองไม่ให้เดือดร้อนได้พอเรามีกำลังแล้วพอเราไปเจอกับความแก่ความเจ็บความตายเราก็จะไม่เดือดร้อนถ้าเราควบคุมใจไม่ให้ไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่คือเรื่องของ ปัญญาทางพระพุทธศาสนาที่พวกเรามาศึกษามาริ่มเรียนกันตอนนี้เรามาร่มเรียนเรารู้แล้วว่าความทุกข์ของพวกเราเกิดจากความอยากของพวกเราเกิดจากความที่เราไม่ยอมรับความจริงของร่างกายเพราะเราไม่ได้คิดอยู่เรื่อยๆไม่ได้สอนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้มันจะต้องแก่ไปเรื่อยๆจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องตายไป เวลามันเจ็บขึ้นมานี้เราจะทุกข์จะวุ่นวายใจขึ้นมาถ้ารู้ว่าจะตายมันก็จะยิ่งทุกข์ยิ่งวุ่นวายใจใหญ่แต่ถ้าเราได้ศึกษาแล้วได้เอามาค่อควรมาคิดอยู่เรื่อยๆมาเตือนใจมาสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้แต่ สามารถที่จะไม่ทุกข์กับมันได้ถ้าเราระ ง, งับต้นเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายที่เกิดจากความหลงที่ไม่รู้ว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้าก่อนนั่นเองถ้าคิดไว้ล่วงหน้าก่อนก็จะไม่หลงก็จะรู้ว่าจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตาย ก็จะพยายามทำใจพยายามนั่งสมาธิพยายามเจริญสติเพื่อทำให้ใจสงบให้ได้ทำใจให้เป็นอุเบกขาให้ได้เพราะเมื่อใจมีอุเบกขาแล้วก็จะสามารถทำใจรับกับความแก่รับกับความเจ็บรับกับความตายได้แล้วพอเจอความแก่ความเจ็บความตายใจก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อน เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นสำหรับใจร่างกายเจ็บไม่เจ็บใจก็เท่าเดิมร่างกายตายหรือไม่ตายใจก็เท่าเดิมเหมือนเดิมคือสักแต่ว่ารู้ไปเป็นอุเบกขาไปอันนี้คือเรื่องของการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาโดยการใช้ปัญญาใช้สติใช้สมาธิ เป็นเครื่องมารักษาคุ้มครองใจไม่ให้เกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมาถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วใจจะปลอดภัยจากความทุกข์ทั้งปวงเราก็จะทำให้ใจนั้นหยุดกับหยุดการที่จะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเพราะว่าใจจะ รู้ว่าเหตุที่ทำมาทาให้กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บ ม, มาตายก็คือความอยากที่จะมีร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆอยากจะมีร่างกายเพื่อที่จะได้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้ายุติความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ยุติความอยากที่จะ มีร่างกายใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมันมีร่างกายอันใหม่การที่จะไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขก็ต้องทาใจให้นิ่งให้สงบนี้เองทาใจให้เป็นสมาธิทาใจให้เป็นอุเบกขาแล้วจะพบกับความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขนี้ ได้จากการใช้ร่างกายก็จะได้ประโยชน์สองอย่างคือทําใจให้สงบแล้วจะมีความสุขแล้วก็จะได้อุเบกขาที่จะเอามาใช้ในการควบคุมใจไม่ให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาพอไม่มีความอยากต่างๆปรากฏขึ้นมาใจก็จะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย ไม่ทุกกับการพัดพาคจากกันแล้วก็จะไม่กลับมามีร่างกายอันใหม่ใจก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดใจก็จะอยู่ในที่ที่ไม่ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายอยู่ในที่ที่มีความสุขตลอดเวลาที่เรียกว่าพระนิพพานนี่เกิดที่อยู่ของผู้ที่ไม่มีความอยากแล้ว ของผู้ที่ละความอยากได้ด้วยอำนาจของสติสมาธิและปัญญาแล้วก็จะอยู่อย่างนั้นไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดสำหรับผู้ที่ยังไม่มีสติไม่มีสมาธิปัญญายังไม่สามารถหยุดความอยากได้ก็<ม>จะอยู่อีกรูปแบบหนึ่งอยู่ในรูปแบบของการเวียนว่ายตายเกิดตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ กลับมามีร่างกายใหม่แล้วก็มาทุกกับการดูแลรักษาเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็มาทุกกับการแสวงหาความสุขทางร่างกายแล้วก็มาทุกกับการพัดพากจากสิ่งต่างๆที่หามาได้ทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บทุกกับความตายอันนี้ก็เป็นใจของผู้ที่ยังไม่ได้ หยุดความอยากต่างๆก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เกิดมาแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์ใหม่แล้วก็กลับไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่และระหว่างที่จะกลับมาเกิดก็บางทีก็ต้องไปใช้บาปก่อนถ้าขณะที่มีชีวิตอยู่ไปทําบาปเอาไว้เวลาตายไปก็ต้องไปรับผลบาปก่อน ไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตไปตกนรกเนี่ยถ้าทำบุญไว้เวลาตายไปก็ไปรับผลบุญก่อนไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่มาหาความสุขทางร่างกายแล้วก็มารับความทุกข์ของร่างกายใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปกันใหม่ก็ทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าที่จะได้มาพบกับพระพุทธศา ส, สนาได้พบกับพระ ธ, ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ปัญญาจากพระพุทธเจ้าว่าความทุกข์ของพวกเราเกิดจากความอยากของพวกเราเพราะเราไม่เห็นความจริงของสิ่งที่เราอยากว่ามันไม่เที่ยงไม่เห็นความจริงว่ามันไม่ได <trabajar> ้เป็นของเราไม่เห็นความจริงว่าเวลามันไม่เที่ยงเราก็ไปอยากให้มันเที่ยง พอมันอยากให้มันเที่ยงเราก็จะทุกข์ขึ้นมาอยากให้มันเป็นของเราเราก็จะทุกข์ขึ้นมาเพราะมันไม่เที่ยงมันจะไม่เป็นของเรานั่นเองอยากอย่างไรมันก็ไม่เที่ยงอยากอย่างไรมันก็ไม่เป็นของเราเช่นร่างกายนี้อยากอย่างไรมันก็ไม่เที่ยงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยากให้มันเป็นของเราไปนานๆไม่ให้มันจากเราไปก็อยากอยากไม่ได้ สิ่งที่ได้จากความอยากก็คือความทุกข์ใจอันนี้เราจะได้เรียนรู้จากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมได้สุตะมยะจัญญาพอเราได้สุตตมยปัญญาแล้วท่านก็สอนว่าให้เอาไปทำการบ้านเอาไปคิดอยู่เนืองๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจกัน ถ้ายัางเตรียมใจไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เราก็ต้องมาฝึกสติฝึกสมาธิกันมาสร้างความสุขสร้างอุเบกขาให้กับใจพอเมื่อใจมีความสุขมีอุเบกขาแล้วใจก็จะเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้พอไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขร่างกายจะเป็นอะไรอย่างไรเราก็จะไม่เดือดร้อนเราจะไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ อยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันไม่ตายเพราะเรารู้ว่าความอยากนี้ทำให้เราทุกข์ไปเปล่าๆแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงของร่างกายเราก็ต้องไม่อยากส่วนมันจะแก่จะเจ็บจะตายก็ปล่อยมันไปเราทำอะไรได้ก็ทำไปกินยาได้ก็กินไปรักษาได้ก็รักษาไปแต่เมื่อทำไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปเท่านั้นเองแต่เราจะไม่ทุกข์กับมัน ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราจะมีความสุขใจที่เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากทางร่างกายเราก็จะปล่อยวางร่างกายได้ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายไม่ต้องอาศัยร่างกายมาเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราเราก็จะแก่อย่างสบายเจ็บอย่างสบายตายอย่างสบายแล้วเราก็จะไม่กลับมามีร่างกายอันใหม่อีกต่อไป นี่คือเรื่องของปัญญาทางพระพุทธศาสนาที่จะบีไว้เพื่อที่จะมาทาลายความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วก็ยุติการที่จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆประโยชน์ที่เราจะได้รับคือประโยชน์เหล่านี้และจะได้จากการที่เรามาเจริญปัญญาสามระดับนี้ ระดับแรกก็เรียกว่าสุตะมะยปัญญาการศึกษาการร่่มเรียนการฟังทการฟังเทศฟังธรรมเพื่อเราจะได้รู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากอะไรและการดับความทุกข์ของเราดับได้อย่างไรเมื่อเรารู้แล้วเราก็เอาไปพิจิตรพิจารณาไปไข้ควรไปไปเจริญอยู่เรื่อยๆแล้วเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่า ทำข้อสอบถ้าเรายังไม่มีกําลังที่จะทําทข้อสอบเราก็ไปสร้างกําลังสร้างสติขึ้นมาสร้างสมาธิขึ้นมาแล้วก็เอาสติสมาธิมาใช้กับปัญญาถ้ามีสติมีสมาธิและมีปัญญาสามอันนี้รวมกันแล้วก็จะทําให้ใจมีความสามารถที่จะหยุดความอยากหยุดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากให้หมดไปได้ หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ปัญญาระดับนี้เราเรียกว่าภาวนามายปัญญาปัญญาที่ประกอบด้วยสติและสมาธิสมถธภาวนาสติกับสมาธิก็คือสมถภาวนาภาวนามัยปัญญาเนี่ยก็คือปัญญาที่มีมีสมถธภาวนาเป็นเป็นองค์ประกอบเนี่จึงจะเป็น ปัญญาที่มีกำลังที่จะทำลายตัณหาความอยากต่างๆดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากตัณหาให้หมดไปจากใจได้ใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ใจที่หลุดพ้นจากความทุกข์เราก็เรียกว่านิพพานใจที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้าจะเปรียบเทียบใจที่นิพพานกับใจที่ไม่นิพพานก็เหมือนกับคนที่อยู่ในห้องปรับอากาศ กับคนที่ไม่ได้อยู่ในห้องปรับอากาศนั่นเองคนที่อยู่ในห้องปรับอากาศก็จะเย็นสบายอยู่ในห้องก็เงียบสงบไม่มีฝุ่นไม่มีควันอะไรแต่คนที่อยู่นอกห้องปรับอากาศนี้ก็จะต้องไปเจอฝุ่นเจอควันเจอสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษต่างๆเจอเสียงที่ดูดขูดเจออากาศที่ร้อนนี่อันนี้ต่างกันตรงนี้นิพานกับไม่นิพาน ไม่ได้สูญหายไปทั้งคู่ใจของผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดไม่ได้สูญใจของผู้ที่อยู่ในนิพพานก็ไม่ได้สูญใจของผู้ที่อยู่ในนิพพานก็อยู่ในห้องปรับอากาศนี่เองใจที่ของผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดก็ใจที่อยู่ข้างนอกห้องปรับอากาศที่จะต้องทนทุกข์ทรมานไปกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีต่างๆเช่นความร้อนฝุ่นควันพิษ ภัยอันตรายต่างๆนะก็มีเท่านี้ขอให้เราเข้าใจไว้ว่าการที่ไปถึงพระนิพพานนี้เราจะได้เห็นภาพว่ามันเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวคนบางคนคิดว่าการไม่ได้มาเกิดนี่กลับเป็นสิ่งที่น่ากลัวกว่าการที่ได้มาเกิดเพาถ้าได้มาเกิดเราจะได้มาพบเพื่อนจะได้พบแฟนจะได้มีขนมกินมีเครื่องดื่มดื่มกัน แต่ไม่คิดถึงเวลาที่จะต้องพัดภาคจากกันเวลาที่จะต้องไม่ได้ดื่มไม่ได้รับประทานมันจะทรมานอย่างไรแต่คนที่ไม่ต้องกลับมาเกิดนี่อยู่ในห้องปรับอากาศเย็นสบายไปตลอดกลับกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวไปสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัตินะแต่ผู้ที่ได้ปฏิบัติได้สัมผัสกับความเย็นของห้องปรับอากาศแล้วขอความสุขของห้องปรับอากาศแล้วก็จะไม่อยากที่จะออกมา นอกห้องป่าอากาศอยู่ในห้องป่าอากาศเย็นสบายกว่าสุขสบายกว่าปลอดภัยกว่านี่คือเรื่องของปัญญาในพระพุทธศาสนาที่มีอยู่สมชนิดหรือสามขั้นตอนคือสุตตมยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าขั้นที่สองเรียกว่าจินตามายปัญญา ปัญญาที่ได้จากการนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ไปใคร่ควรวนไปพินิษพิจารณาเพื่อให้เกิดความเข้าใจและไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเพื่อจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นรับกับการที่จะต้องเข้าห้องสอบถ้ายังไม่มีกําลังก็จะได้เตรียมสร้างกําลังขึ้นมาเกิดสร้างสติสร้างสมาธิขึ้นมา เมอมีสติมีสมาธิแล้วมีปัญญาแล้วก็จะได้ภาวนาเมายัปัญญาปัญญาขั้นที่สามที่จะสามารถทําข้อสอบต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้จะละความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้เพราะจะละความอยากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้นั่นเองจึงขอให้พวกเราจงนําเอาเรื่องของปัญญาทั้งสามระดับนี้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 เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดเปเมวะสวิจัตุสัเพปเรตุสังกปาจันโทปนาระสูยธามณิโชติระโสยธาสัพีติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุ มาเตภวัตะวันตรายุสุขีทีกายุโกภวะอภิวาธนสีฤทษะนิจจังวุธาปจายโนจตารโหธรมาวทานติอายุวันโอสุขังภลั ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตยุติการถามตอบปัญหาถ้าใครต้องถามยกมือขึ้นจะเอาไม่ไปให้ถ้าไม่มีก็จะให้ ทางพิธีกรอ่านคำถามทางบ้านคำถามจากทางบ้านจากผู้ฝากถามโยมได้ไปทำบุญแห่งหนึ่งเมื่อวันเข้าพรรษาที่ผ่านมาแล้วไปเจอเหตุการณ์หนึ่งที่พระบวชใหม่กลุ่มหนึ่ง ท่านได้ไปหยิบของใช้ที่ญาติโยมยังไม่ได้ถวายที่กองรวมกันไว้นะจุดจุดหนึ่งโดยไม่รู้ว่าของเหล่านั้นยังไม่ได้ถวายพอมรรคทายยกวาทราบก็โกรธและโมโหมากด่าพระกลุ่มนั้นออกไม่ต่อหน้าญาติโยมแล้วให้พระเหล่านั้นมาขอโทษเขา พระท่านก็ได้นำของมาคืนและก็ขอโทมษมคธาโยกวัดแล้วด้วยถึงความรู้เท่าไม่ถึงการโยมสงสัยว่าทั้งพระและมคธายกเขาจะมีบาปอากุศลกรรมยังไงบ้างเปล่าคะคือการทำผิดโดยที่ไม่รู้ก็ไม่มีเจตนามันก็ไม่ร้ายกา ด, ดุนแรง ก, ก็ถ้ามีการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็แก้ไขกันไปก็ปัญหามันก็น่าจะหมดไป แต่สำหรับการที่แสดงโทสะว่ากล่าวพระในฐานะที่เราเป็นคารวะนี้มันก็ไม่เหมาะสมคือไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำก็แสดงว่าขาดปัญญ า, าถูกโมหะอวิชชาครอบงำถูกอัตตาตัวตนเห็นความสำคัญของตนเห็นความสำคัญของกฎระเบียบ แล้วใช้การกระทาผิดกฎระเบียบนั้นมาใช้อำนาจบาดใหญ่ไปว่ากล่าวผู้ที่เขาสูงกว่าเราอันนี้ก็เป็นเรื่องของความโง่ก็เป็นเรื่องของการที่ยังไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะคอยดูแลควบคุมใจให้อยู่ในความสงบอยู่ที่ในความเรียบร้อยได้คำถามจากคุณปรานี การช่วยเหลือให้ทานคิดอยากช่วยเหลือโดยไม่เชื่อเรื่องบุญกรรมกับทําทานด้วยเชื่อเรื่องบุญกรรมให้ผลแตกต่างกันหรือไม่คะคือผลที่ได้รับจากการให้มันก็เหมือนกันคือการได้ช่วยเหลือผู้อื่นก็จะทําให้เรามีความสุขใจใจนี้มันก็เป็นบุญจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นบุญเหมือนกับ กินยาที่หมอให้มาจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่ารักษาโาครคภัยค่เจ็บได้กินแล้วมันก็จะทำหน้าที่ของมันไปเหมือนกันคำถามจากคุณแมนเมื่ออยู่เหนือสมมุติแล้วทำไมต้องกลัวอะไรครับก็ไม่รู้ว่าอยู่เหนือจริงหรือเปล่าคำถามจากพระนางเงาวกวัวทำอย่างไรเราถึงจะมีความสุข กับการใช้ชีวิตคนเดียวหรือสันโดษได้คะเวลาเครียดทุกใจจะทำอย่างไรถ้าไม่มีคนให้คำปรึกษาให้กำลังใจกันคะ่ะก็ต้องมีสติคอยควบคุมความคิดควบคุมใจให้อยู่ในความสงบไม่ให้คิดวุ่นวายคิดฟุ้งซ่านแล้วก็จะไม่ต้องไปปรึกษาใครเพราะถ้าใจสงบแล้วปัญหาทั้งหมดมันก็หมดไป ปัญหาที่แท้จริงมันเกิดจากใจที่ไม่สงบแล้วก็มาคิดสร้างปัญหาต่างๆให้ไปแก้เสียเวลาไปเปล่าๆแก้เท่าไหร่มันก็ไม่มีวันจบมันก็จะมีปัญหาใหม่ให้มาแก้อยู่เรื่อยๆดังนั้นถ้าเราแก้ที่ต้นเหตุคือความฟุ้งซ่านของใจพอใจสงบแล้วมันก็หายวุ่นวายมันก็ไม่ต้องไปแก้อะไรคำถามจากคุณพวงบุบผา ปกตินอนภาวนาพุโทโธบาปไหมคะไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่าการภาวนาถ้าอยู่ในท่านอน ม, มันมกักจะไม่ได้ผลเพราะมันจะหลับคำถามจากคุณเบญจพรเคยได้ยินมาว่าคนเราสามารถบรรลุธรรมได้อย่างเร็วเจ็ดวันอย่างช้าเจ็ดปีถึงแม้ว่าคนผู้นั้นจะบารมีอ่อนมากก็ตามแต่ถ้าตั้งใจปฏิบัติจริงๆ ก็จะบรรลุทำได้ภายใน7วัน7ปีจริงไหมคะและจะต้องมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรสาหรับผู้ที่มีบา ร, รมียังอ่อนอยู่คะคือคนเรามีบา ร, รมีหรือว่ามีอินทรีย์ที่ไม่เท่ากันอินทรีย์ก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอันนี้ถ้ามีมากก็จะํำให้เรียนจบได้เร็วบรรลุได้เร็วถ้ามีน้อยก็จะทำให้บรรลุได้ช้า ดังนั้นก็คนที่มีน้อยก็ต้องพยายามสร้างอินรี N45 ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปคนที่มีมากพอเขาเพิ่มอีกหน่อยเดียวเขาก็ได้เต็มที่เหมือนกับการตักน้ําใส่ตุ่มคนที่เคยตักน้ํามาน้ําเกือบจะเต็มตุ่มแล้วเพียงตาตักอีกสองสาขันก็เต็มเขาก็ใช้เวลาเดี๋ยวเดียวสองสาขันก็เต็มส่วนคนที่น้ํายังมีไม่ถึงครึ่งตุ่มนี่ก็ต้องใช้เวลาตักให้มากหน่อย หลักไปเดี๋ยวมันก็เต็มเหมือนกันนั้นอยู่ที่เอนไซม์ของแต่ละคนที่ได้สะสมได้สร้างกันขึ้นมาในแต่ละภพแต่ละชาติว่ามีมากน้อยต่างกันจึงบรรลุได้ชา้าเร็วต่างกันบางคนก็บรรลุได้ภายในเจ็วันแสดงว่าอินไีม์เขาแก่กล้ามากน้ำเกือบจะเต็มตุ่มแล้วหลักเพียงสองสามทีก็เต็มละพวกที่เจ็ดเดือนก็ น้ำอย่างน้อยหน่อยก็ต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นหน่อยส่วนพวกที่เจ็ดปีนี้อาจจะไม่มีน้ำเลยอาจเพิ่งจะมาเริ่มตักเริ่มเติมก็ได้ก็เลยต้องใช้เวลานานหน่อยเจปีคำถามจากคุณโซลไรถ้าเรารักษาศีลได้ไม่ครบทุกข้อเนื่องจากอาิชีพการงานเช่นทำการเกษตรก็ต้องมีการฉีดยาฆ่ามแมลงอยู่เรื่อย เราภาวนาจะทําให้ใจของเราสงบเข้าถึงสมาธิได้ไหมครับถ้าใจถ้าศีลมันขาดมันจะทําให้ใจเราวุ่นวายยากต่อการทาใจให้สงบถ้าศีลบริสุทธิ์มันก็จะไม่มีความวุ่นวายใจมันก็จะทําให้ใจสงบได้ง่ายจางนั้นต้องพยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก่อนถ้าอยากจะทําใจให้สงบคำถามจากคุณวรวรรณีนน เวลานั่งสมาธิแล้วพอจิตสงบก็เริ่มพิจารณาอาการ32ไปสักพักแล้วจิตกลับดิ่งไปสู่ความสงบนิ่งอีกเองไม่ทราบว่าควรทำอย่างไรคะถ้าจิตอยู่ในความสงบก็ไม่ควรทำอะไรควรใช้สติประครับประคองให้จิตสงบให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้จนกว่าจิตจะถอนออกมาเริ่มคิดปรุงแต่งแล้วค่อใช้จะคิดไปในทางปัญญาก็ได้ หรือจะให้ใช้สติหยุดความคิดก็ได้เพื่อให้ใจกลับเข้าไปสู่ความสงบใหม่ก็ได้สองทางถ้าสมาธิยังไม่ชำนาญก็ให้ใช้สติหยุดความคิดไว้ก่อนให้จิตเข้าไปในสมาธิใหม่ให้ชำนาญก่อนเมื่อเราเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการแล้วเราค่อยออกมาคิดทางปัญญาเพราะการคิดทางปัญญานี้มีโอกาสที่จะทาให้เผอแล้วฟุ้งซ่านได้ พอฟุ้งแล้วก็อาจจะหยุดไม่ได้ถ้าเราไม่มีความชำนาญในการเข้าสมาธินั้นก็ควรที่จะฝึกสมาธิให้ชำนาญก่อนให้เข้าได้ทุกเวลาที่เราต้องการถ้าเราชำนาญแล้วเราค่อยออกไปทางปัญญาเพราะว่าเวลาเราเผลอคิดไปในทางกิเลสมันฟุ้งขึ้นมาเราก็จะได้หยุดมันได้ทันท่วงทีจะได้ไม่เสียเวลามาหยุดความฟุ้งซ่าน คำถามจากคุณพัสกรพระโพธิสัตว์หรือกวนอิมนี้คือสายทางมาจากพระพุทธเจ้าหรืออย่างไรคะเพราะมีคนพยายามมาชวนให้เราไปพบหรือเขาพยายามจะมาพบเราคุยกับเราเพื่ออะไรแต่เราไม่เคยรู้เรื่องทางกวนอิมเรายึดแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นถูกหรือผิดอย่างไรคะคออเราไม่ต้องไปสนใจหรอกกวนองกวนอิมอะไรเนี่ย เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เขาเชื่อกันมาว่ามีคนคนหนึ่งมีมีการประพฤติปฏิบัติใกล้เคียงกับพระโพธิสัตว์ก็คือมีใจที่เป็นทานช่วยเหลือผู้อื่นสงเคราะห์ผู้อื่นมากกว่าที่จะสนใจต่อการสงเคราะห์ช่วยเหลือตอนเองเขาก็เลยยกย่องว่าเป็นพระโพธิสัตว์เหมือนกับพระเวชสันดร ของพวกเราท่านก็เป็นเหมือนเจ้าแม่กวนอิมท่านก็เป็นผู้ที่เสียสละความสุขของตนประโยชน์ของตนให้แก่ผู้อื่นจึงทําให้ท่าน เ, าเป็นพระโพธิสัตว์คือมีพรารมีบรารมีที่จะทําให้ท่านได้ไปตัดสุขเป็นพระพุทธเจ้าในภพข้างหน้าเช่นหลังจากที่ได้ตายจากพระเวชสันดรแล้วก็ได้กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ แล้วก็ได้ออกบวชได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเขาก็เชื่อกันว่าเจ้าแม่คนอิมนี้ต่อไปก็จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะได้มาตัดสัรู้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปคำถามจากคุณพรทนาการภาวนาเราสามารถท่องพุทโธอย่างเดียวแบบเร็วๆโดยไม่ต้องดูลมหายใจเข้าออกควบคู่ไปด้วยได้หรือไม่คะ เนื่องจากเมื่อตามดูลมหายใจด้วยสติมักจะหลุดไปคิดอย่างอื่นค่ะได้ใช้อย่างเดียวใช้พุโทโธอย่างเดียวซึ่งปกติเขาก็จะใช้พุโทโธอย่างเดียวหรือใช้ลมอย่างเดียวไม่ไม่ได้ใช้สองอย่างควบคุมกันเพราะว่าบางทีใจมันต้องใช้คำบริกรรมที่ถี่มันก็จะไปผูกไว้กับลมไม่ได้ดังนั้นจะใช้อย่างใดก็ได้ใช้ พุทโธอย่างเดียวก็ได้จะได้ปรับความเร็วช้าเร็วได้หรือจะใช้นมอย่างเดียวก็ได้ถ้าไม่อยากจะบริกรรมหรืออยากจะใช้สองอย่างผูกกันไปก็ได้แล้วแต่แแต่เหตุการณ์แล้วแต่ความถนัดก็แล้วกันคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามขอพระอาจารย์แนะนําพระอาหารหันตสาวกหรือครูบาอาจารย์ที่เป็นเพศหญิงทั้งที่มี มีชีวิตอยู่ในช่วงสมัยนี้และในสมัยพุทธกาลว่าท่านเป็นใครมีพุทธประวัติอย่างไรบ้างเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อหลุดจากข้อจำกัดบางประการในความเป็นเพศหญิงค่ะเราก็ไม่ไปรู้จักใครเลยนั่นแต่บวชมาเราก็อยู่ของเราคนเดียวก็ลองไปเสิร์ชใน Google ดูคำถามจากผู้ฝากถามผมฝึกดูท้องพองยุบ แต่ไม่เคยสงบทำสมาธิไม่ได้เลยลองมาดูลมหายใจจะรู้สึกลมกระทบที่โพรงจมูกและใช้คำบริกรรมเข้าหนอออกหนอจะรู้สึกว่าจิตมันสงบและนุ่มนวลไม่วุ่นวายเหมือนตอนดูท้องและกำหนดยุบหนอพองหนอแต่ที่ที่ไปปฏิบัติเขาบอกว่าอย่าดูลมหายใจให้ดูท้องซึ่งก็เป็นอาการเดิมทุกครั้งว่าไม่สงบ ขอคำแนะนําด้วยครับว่าผมควรจะปฏิบัติต่อไปอย่างไรดีก็วิธีที่ทําให้เราสงบนั่นอ่ะเราก็เอาวิธีนั้นแต่ละคนอาจจะมีเจริไม่เหมือนกันได้ประโยชน์จากวิธีการปฏิบัติต่างกันก็เอาวิธีที่เราได้รับประโยชน์ได้ผลก็แล้วกันครับต่อไปเป็นเป็นคําถามจากทาง facebook live นะครับคําถามจากคุณเล็กนะครับ ลูกได้ปฏิบัติสมาธิและเจริญสติอยู่ตลอดโดยใช้พิจารณากายากายกายกายกายกายกายกาย้วยายกายายกายกายกายกายกายกายกยกายกายกายกาย่ายกายกายกายนายกายกายกายกายกายกายกากายกายกายกายกายกายกายกายกายกายกายกายกายกายีายกายกอยกายกายกา้กายกายกายกายกายาาททกตยกยย า, ากยกายกาเปาย ก, รรกายกากา ได้ตัดสินใจอย่างนี้มาสองปีแล้วขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ด้วยไม่อยากกลับมาอยู่มาสนใจเรื่องของคนอื่นอีกลูกหลานก็โตมีงานมีการทำไม่มีห่วงแล้วค่ะมันก็ไม่ได้ไปทำบาปทำกรรมอะไรกับใครเพียงแต่ว่าเราต้องทำความเข้าใจและได้รับความเห็นชอบจากคู่ครองของเราเพราะเรามีสัญญากับเขาไว้เวลาที่เราแต่งงานกัน ว่าจะดูแลกันจะรักษาช่วยเหลือกันให้ความสุขต่อกันถ้าเราไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้เราจะขอเลิกสัญญานี้เราก็ต้องขออนุญาตจากผู้ที่เขาทำสัญญากับเราว่าเขาจะยินยอมหรือไม่ถ้าเขายินยอมทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเขาไม่ยินยอมก็เขาก็อาจจะมาตามมาหาเรื่องกับเราก็ได้ คำถามคำถามข้อต่อไปนะครับจากคุณวันนิพานนะครับเพื่อนฝากถามค่ะนั่งสมาธิในช่วงนี้มีความรู้สึกเหมือนว่าไม่ได้หายใจจับลมหายใจไม่ได้เลยแต่รู้สึกตัวว่ายังหายใจอยู่เบาสบายเย็นชื่นใจจิตนิ่งมากไม่คิดอะไรเลยมีความรู้สึกแบบนี้เป็นช่วงๆค่ะเลยมาคิดว่าเราจะติดสุข อยู่แค่นี้เองหรือกราบพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะอยา่าพ้นสภาวะนีออ้ความจริงสภาวะนี้ก็เป็นสภาวะที่ดีเป็นสภาวะที่ใจเรานิ่งเราสงบมีความสุขเป็นที่หลบความทุกข์ได้เวลาเรามีความวุ่นวายใจเราก็เข้าไปในภาวะนี้เพื่อที่จะหลุดออกจากความทุกข์ไว้ชั่วคราวไม่เสียหายตรงไหนไม่ ไม่ถือว่าติดสุขแต่อย่างใดมันเป็นเหมือนกับเวลาที่เราร้อนอยู่ข้างนอกเราก็เข้าห้องป เ, เปิดเครื่องปรับอากาศมันก็จะทําให้เราเย็นสบายแต่ถ้าทางที่ดีถ้าเราทําได้ขั้นต่อไปก็คือเราไม่ต้องเข้าไปในเครื่องห้องปรับอากาศเราอยู่กับความร้อนให้ได้ด้วยการเจริญปัญญาด้วยการพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆที่ทําให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมา ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของเขาเขาเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นเราจะไม่ทุกข์กับเขาอันนี้เรียกว่าการใช้ปัญญาขั้นต่อไปขั้นต้นก็ใช้สมาธิก่อนถ้าเรายังใช้ปัญญาไม่เป็นถ้าเรายังพิจารณาอนัตตาไม่เป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเขาไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของเราเสมอไปงั้นเวลาถ้าเราทุกข์ไปกับเหตุการณ์ก็แสดงว่า เราเขาไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของเราเราก็ต้องมาเปลี่ยนความต้องการของเราให้มันตรงกับเหตุการณ์แล้วเราก็จะไม่ทุกข์ใจก็คือเราต้องปรับใจรับกับสภาพที่เป็นอยู่อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นแล้วเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆได้เช่นแฟนอยากจะเลิกกับเราก็เราก็ปรับใจว่ า, เ, าเลิกก็เลิกถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้อยากจะไปก็ไป แต่ถ้าไปอยากให้เขาไม่เลิอกอยากให้เขาอยู่ต่อเราก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆคำถามข้อต่อไปจากคุณพัชรีนะครับคนเราต้องให้ทำบุญดีขนาดไหนในชาตินี้ก็ยังต้องใช้กรรมเก่าอยู่ใช่ไหมเจ้าคะแล้วเราควรทำใจอย่างไรเพื่อไม่ให้ทุกข์ก็การทำบุญนี่มันจะเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบต่อบาปกรรมที่เราทาไว้ได้ เหมือนกับเวลาที่เราตกลงมาจากตึกสูงสูงถ้าเรามีเบาะรองไว้ข้างล่างมันก็จะไม่เจ็บะการทําบุญก็เหมือนกับการเอาเบาะมารองรับเวลาที่เราไปประสบข้อกรรมต่างๆถ้าเรามีบุญมากใจของเราก็จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไปกับวิบากกรรมกับข้อกรรมที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่มีบุญไม่มีเบาะรองรับเหตุการณ์เวลาตกลงมากระแทกกับพื้นแข็งๆมันก็จะเจ็บมาก ดังนั้นเรื่องของบาปที่เราทำไว้ในอดีตนี้เราไปลบล้างไม่ได้ไปห้ามมันไม่ให้เกิดไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือสร้างบุญมารองรับกับข้อกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายได้ถ้าทำบุญทำทานก็ได้ไ ด, ได้ได้เบาในระดับหนึ่งถ้ารักษาศีลก็ได้อีกระดับหนึ่งถ้าภาวนาก็จะได้อีกระดับหนึ่ง อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราสามารถทําบุญในระดับไหนเราก็จะสร้างเาบาะมารองรับวิบากกรรมที่จะเกิดขึ้นทําให้เราไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนได้เหมือนพระพุทธเจ้าท่านก็มีวิบากกับพระเทวทัตพระเทวทัตมาพยายามโปรงพระชนถึงสามครั้งแต่พระทัยของท่านก็ไม่เดือดร้อนเลยเฉยเฉยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ปกติถ้าเป็นพวกเราจะรู้สึกอย่างไรถ้ามีคนมาพยายามฆ่าเราถึงสามครั้งเราคงจะกินไม่ได้นอนไม่หลับคงจะวิ่งไปแจ้งความไปขออารักขาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจวุ่นวายกันไปหมดเพราะเราไม่มีบุญที่จะรับกับข้ะกรรมที่เราทำไว้ถ้าเรามีบุญเราก็เฉยเฉยเฉยอะไรจะเกิดก็เกิดอย่างมากก็แค่ตายไม่มีข้อรกรรมมันก็ตายเหมือนกัน เพราะร่างกายนี้มันเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายไปเท่านั้นเองคำถามจากคุณปูเป้นะครับเราจะลดอัตราตัวตนได้อย่างไรคะก็อย่าไปถือตัวเลยพยายามทำตัวให้เป็นแฉลวเป็นคนรับใช้อย่าไปคิดว่าเราเป็นใหญ่เป็นโตถึงแม้เราจะมีตำแหน่งสูงตำแหน่งใหญ่เราก็อย่าไปหลงเพราะมันเป็นก็เป็นสมมุติเป็นของชั่วคราว ถ้าเราไม่อยากจะมีอัตตาตัวตนเราต้องนึกว่าเราเป็นแจ้วอยู่เรื่อยๆนึกว่าเราเป็นคนรับใช้ผู้อื่นอยู่เรื่อยๆนะเราจะรู้สึกสบายเวลาใครด่าเราใครใช้เราเราก็จะเฉยๆเพราะเรารู้ว่าเราก็เป็นแค่คนรับใช้เท่านั้นเองไม่ได้เป็นเจ้านายใครคำถามจะคุณเสริมสักนะครับถือสีลห้าอยู่แต่ทำข้อหนึ่งไม่ได้ที่บ้านเลี้ยงหมาค่าเห็บหมาทุกวัน ตบยุงด้วยฆ่าตะขาบด้วยครับมันเข้าบ้านแนะนำหน่อยครับสิ่งเข้า อ, อื่นทําได้ก็อย่าไปเลี้ยงหมาสิแล้วก็กันอะไรกันไม่ให้ตะขกตะขาบเข้าบ้านมีอะไรก็กันมันได้หาวิธีกันมันแล้วยุงรครับอาจารย์ก้มลรวนไงม้งวนๆคําถามข้อต่อไปจะคุณธนกรนะครับ ข้อที่หนึ่งมีคนที่อยู่ศาสนาอื่นถามว่าพิสูจน์ได้อย่างไรว่านรกสวรรค์มีอยู่จริงก็ต้องปฏิบัติธรรมคือภาวนาเท่านั้นถึงจะเห็นนรกเห็นสวรรค์ได้นอกจากนั้นก็ดูได้เพียงแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเราถ้าใจเราสุขนี่แหละเราเรียกว่าสวรรค์แล้วถ้าใจเราทุกขุ่นวายเดือดร้อนเรียกว่านรกแล้ว ก็พิสูจน์ได้เพียงแค่นี้สําหรับผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติถ้าผู้ปฏิบัติก็จะเห็นตัวผู้ที่จะไปรับไปเกิดในสวรรค์หรือไปเกิดในนรกคือตัวรู้ตัวใจนี่ถ้าเราปฏิบัติทำทําใจให้สงบเราก็จะเห็นใจแล้วเราก็จะรู้ว่าตัวนี้แหละที่จะไปไปสวรรค์หรือไปนรกข้อที่สองมักวิธีที่จะทําให้บรรลุ ทำขั้นโสดาบานต้องปฏิบัติอย่างไรก็ต้องมีขั้นปัญญาก่อนจะมีปัญญาก็ต้องมีสมาธิก่อนจะมีสมาธิก็ต้องมีศีลก่อนจะมีศีลก็ต้องทาบุญทำทานให้ได้ก่อนมันก็เป็นขั้นขั้นไปเหมือนเรียนหนังสือขั้นปัญญาก็ถือว่าเป็นขั้นอุดมศึกษาก่อนจะเข้ามาหาลาัยได้ก็ต้องสอบเอ็นท่านให้ได้ก่อนจบม .6 ก่อนเมื่อเราเข้าแล้วเราก็ต้องเรียน จเจริญปัญญาพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติของร่างกายเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ต้องไปทุกข์กับร่างกายได้ถ้าเราไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเราละร่างกายได้ล ะ, ละความแก่ความเจ็บความตายได้เราก็บรรลุเป็นโสดาบันได้ คำถามจ้คุณนารินนะครับเวลาเราสูญเสียอะไรแล้วมาคิดได้ว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าความแตกต่างของไตรลักษณ์จากการปรุงแต่งและไตรลักษณ์จากการรู้จริงของจิตแตกต่างกันอย่างไรครับก็ผลกระทบต่อใจมันต่างกันเนี่ผลที่ได้จากการคิดยังไม่หนักเท่ากับผลที่เกิดจากการได้เจอของจริง คิดว่าเราจะต้องเสียแฟนไปนี้กับเวลาเจอการเสียแฟนไปนี้มันไม่เหมือนกันเราถ้าเรามีปัญญาเราสามารถปล่อยวางได้ยอมให้แฟนจากไปได้รับกับความจริงได้ใจเราก็จะมีความสุขมีความสงบขึ้นมาถ้ารับไม่ได้ใจเราก็จะทุกข์จะวุ่นวายจะกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้าเราเพียงแต่คิดมัเราก็จะยังไม่รู้สึกอะไร เพราะขณะที่เราคิดยังไม่มีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นคำถามจากคุณขนมจีนดอทมนะครับอร่อยขิวเลยก่อนสวดมนต์ทุกครั้งเราจำเป็นต้องอารัธนาศีลห้าก่อนทุกครั้งใหมครับแล้วบทแผ่เมตตาหลังสวดมนต์ท่านอาจารย์เคยบอกว่า ไม่ได้เกิดผลแก่ผู้รับเราไม่จำเป็นต้องสวดบทแผ่เมตาก็ได้ใช่ไหมครับคือเราไม่ได้บอกว่าไม่สวดเราสวดเราเพียงแต่บอกว่าการสวดนี้ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาเป็นการเาตือนใจสอนใจว่านี่คือการแผ่เมตตาคือต้องให้อภยัยไม่จองเวรจองกรรมต้องมีความคิดดีปรารถนาดีต่อผู้อื่น อ, อันนี้เป็นการเตือนใจสอนใจเวลาเราสวด เวลาแผ่จริงๆต้องเวลาที่มีคนรองรับดอรับการแผ่ของเราเช่นไปเจอเพื่อนก็เอาขนมไปฝากเพื่อนอย่างเงี้ยเรแผ่เมตตาถ้าเอาความโกรธไปแผ่ไปด่าเขาเนี่ก็ไม่ได้แผ่เมตตาฉะนั้นเราต้องสอนใจเตือนใจเรื่อยๆว่าเราต้องแผ่เมตตาเราอย่าไปแผ่ความโกรธความเกลียดให้แก่ผู้อื่น เวลาเราโกรธเราเกลียดใครเราต้องให้อภัยอย่าจองเวรจองกรรมกันอันนี้คือความหมายเวลาที่เราสวดแผ่เมตตาเป็นการสอนใจเตือนใจให้เราแผ่แต่สิ่งที่ดีให้แก่ผู้อื่นส่วนการอาราธนาศีล น, นี้จะอนราธนาหรือไม่ก็แล้วแต่ความจริงการรักษาศีลนี่อยู่ที่ตัวเราถ้าเรารู้ว่าเรา กำลังรักษาศีลอยู่เราก็ไม่ต้องไปอาราธนาให้เสียเวลาเพราะว่าเราอาราธนาก็เพื่อรักษาศีลในเมื่อเรารู้ว่าเรารักษาศีลอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ต้องไปทำมันเป็นเหมือนกับพิธีไหว้ครูเท่านั้นเองการไหว้ครูนี้กับการเคารพครูมันก็เหมือนกันถ้าเราเราเคารพครูอยู่แล้วเราทำไมต้องไปทำพิธีไหว้ครูให้มันเสียเวลาทาไม อันนี้ก็เหมือนถ้าเรารักษาศีลอยู่แล้วเราจะไปอาราธนาศีนทําไมดังนัน้นไม่ไมีความจําเป็ น, น, นแต่อยากจะอาราธนาเพื่อความสบายใจก็ได้มันก็เป็นการสวดไปเท่านั้นเองก็เป็นการทำทำภาวนาไปสวดอาราธนาศีลสวดมนต์ไปคําถามจากคุณพันิพานนะครับเห็นคนอื่นทำเห็นคนอื่นทําอะไร ความคิดที่ไม่เห็นด้วยกับคนอื่นอยู่บ่อยๆพอเกิดแล้วรู้ความคิดควรแก้ด้วยวิธีไหนครับก็ความคิดของเรากับความคิดของเขามันคนละเรื่องกันเขาจะคิดอะไรก็เป็นสิทธิของเขาเราจะคิดอะไรก็เป็นสิทธิของเราแต่เราก็ต้องรู้จักกาลเทศะว่าเราควรจะเสนอความคิดของเราแก่ผู้อื่นหรือไม่ถ้าเขาไม่ถามก็ไม่ควรที่จะไปเสนอเรากเก็บความคิดไว้ของเราใช้กับตัวเราไป ความคิดของเราเราก็ใช้กับชีวิตของเราความคิดของคนอื่นก็ปล่อยเขาใช้กับชีวิตของเขาไปต่างคนต่างใช้ความคิดของตนมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันจะมีปัญหาในเมื่อเราจะเอาชีวิตเอาความคิดของเราไปใช้กับชีวิตของคนอืนอ่นนั่นแหละแล้วเมื่อเขาไม่ต้องการใช้ความคิดของเราเราก็จะเสียใจและโกรธเขาขึ้นมาแล้วก็จะมีเรื่องมีปัญหากันตามมาได้ยั้นต่างคนต่างต้องสงวนความคิดไว้ใช้เฉพาะตนเอง ถ้าจะใช้กับคนอื่นก็ต้องเขาต้องมาขอขอจากเราก่อนเราถึงจะเสนอให้ความคิดของเราไปกับเขาคำถามจะคุณจาคะนะครับพระนิพพานที่จริงเป็นเช่นไรใช่เหมือนสถานที่ที่พระพุทธเจ้าพระอรหรันตุพระองค์ไปจุติและอยู่เป็นอมตะโดยไม่ตายขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายก็วันนี้ก็เทแล้วเป็นห้องป่าประกาศ่ย เข้าไปอยู่ในห้องป่าอากาศแล้วเย็นสบายพวกที่อยู่ข้างนอกก็ร้อนอุ่นวายดมฝันดมฝุ่นไปคำถามจากคุณอัญเชลีนะครับเวลาหนูนั่งสมาธิหนูฟังธรรมะด้วยได้ไหมคะหนูฟังแบบใส่หูฟังแต่หนูลองนั่งแบบไม่ฟังจะมีสมาธิมากกว่าถ้านั่งแบบไม่ฟังมีสมาธิมากกว่าก็ก็นั่งแบบไม่ฟังจะดีกว่า แต่ถ้าต้องการปัญญาก็ต้องฟังถึงจะได้ปัญญาเพราะว่าความรู้ของเรายังอาจจะมีน้อยไม่มีมากเท่ากับความรู้ของผู้ที่แสดงธรรมดังนั้นถ้าเราขาดปัญญาเราก็ต้องฟังธรรมแต่ถ้าเรานั่งสมาธิได้โดยที่ไม่ต้องฟังธรรมเราก็ไม่ต้องฟังธรรมก็ได้แต่บางคนนั่งสมาธิเองก็นั่งไม่ได้แต่พอฟังธรรมไปก็ไ ด, ได้ได้สมาธิก็กใช้การฟังธรรมเพื่อ ให้เกิดการให้เกิดสมาธิขึ้นมาก็ได้นั้นก็ได้แล้วแต่เราว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการปัญญาเราก็ต้องฟังธรรมถ้าเรานั่งนั่งนั่งตามลําพังไม่สงบแต่ฟังธรรมสงบได้สมาธิเราก็ฟังธรรมไปแต่ถ้าเรานั่งสมาธิได้โดยไม่ฟังธรรมสงบกว่าการฟังธรรมเราก็นั่งสมาธิไปไม่ต้องฟังธรรมไปคําถามจากคุณพรทิพย์นะครับ ถามวิธีประเมินการปฏิบัติธรรมทางปัญญาค่ะก็ปัญญาก็คือว่าเราเห็นใจรักอยู่เรื่อยหรือเปล่าเห็นอสุภพอยู่เรื่อยหรือเปล่าเห็นความสุกปกของอาหารอยู่เรื่อยหรือเปล่าแล้วเราใช้ความรู้เหล่านี้มาหยุดตันหาความอยากต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจเราได้หรือเปล่าถ้าหยุดได้เราก็มีปัญญาถ้ายังหยุดไม่ได้ก็แสดงว่าปัญญาเรายังมีน้อยและยังมีไม่ทันเรายังหยุด ความอยากไม่ได้หยุดความทุกข์ความวุ่นวายใจไม่ได้คำถามจากคุณวอลพัทนะครับปัจจัยที่คารวะถวายพระเป็นการส่วนตัวพระสามารถทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินนั้นให้กับญาติพี่น้องตนเองได้หรือไม่ครับอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เท่าที่ได้ยินมาก็ถ้าเป็นของส่วนตัวนี่ก็เป็นสิทธิ์ของพระรูปนั้นท่านจะเอาไปทำอะไรก็ได้ ถ้าเป็นของสงฆ์ก็ต้องให้เป็นของวัดไปถ้าไม่ได้ทำพินีกรรมถ้าตายไปก็เป็นของวัดไปถ้าเป็นของส่วนตัวคาถามจากคุณจตุพรนะครับการฝ่าเวทนาจะช่วยการในการภาวนาแบบไหนคะก็จะทำให้จิตสงบลึกเข้าไปถ้าเราผ่านเวทนาได้จิตจะสงบมากกว่าเวลาที่ไม่ได้ผ่านเวทนา อีกคำถามนะครับคำถามจากคุณอัญชลีนะครับจำเป็นไหมคะจะต้องถวายเทียนตอนเข้าพรรษาก็เป็นธรรมเนียมเพราะในสมัยอดีตเราไม่มีไฟฟ้าใช้ก็จาเป็นจะต้องใช้เทียนและเวลาบวชในช่วงเขา้าพรรษาจะมีผู้มาบวชกันมากก็ต้องมีการศึกษาเร่มเรียนก็ต้องใช้แสงเทียนเวลาอ่านหนังสือเรียนหนังสือหรือเวลาไหว้พระสวดมนต์หรือเวล า, วา ประชุมกันทําอะไรตอนกลางคืนก็ต้องจะมีแสงสว่างก็สมัยก่อนเขาก็ใช้แสงเทียนแทงแทนอแสงของไฟฟ้าแต่สมัยปัจจุบันนี้เรามีไฟฟ้าแล้วเรื่องเทียนก็เลยไม่จําเป็นสําหรับวัดที่มีไฟฟ้าแต่ที่ถ้าเป็นวัดป่าวัดที่ไม่มีไฟฟ้าเขาก็ยังใช้เทียนกันอยู่หมดแล้วครับราอาจารย์อก็ดี Yeah, ว่าถามมามากนะมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหม <Yeah. S 1> ถ้าไม่มีก็จะขอยุิการประชุมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเพนิดพิจรนาะไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปท่าน